คิาบทวิพัง337ที่ชื่อว่าเล่นน้ำคือภิกษุประสงค์จะเล่นน้ำจึงดำลงผุดขึ้นหรือลอยในน้ำลึกพอท่วมข้อเท้าต้องอบัดปาจิ ต, ตี